สาธุชนทุกท่นานอาณาภาพเดินทางมาถึงเที่เกล็ดเป็นประเทศที่ห้าไม่ใช่จู่ๆแล้วก็มาที่นี่นะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเจอมาทุกสภาพอากาศนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเมื่อวานไปเจอฝนอ เ, เจอฝนด้วยแล้ว ขาดอย่างเดียวว่าตอนนี้คือหิมะม่คือนนอนอ่านจดหมายยมคนหนึ่งเขียนจดหมายมหาตา ม, มาแต่ออกซฟอร์ดแอบมาในหนังสือที่วายมาก็ไม่ได้อ่านสักทีนะไปทำวัดที่ออกซฟอร์ดสองวันเม่คืนแกะจดหมายมาอ่านมินมสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะเริ่มรู้สึกดีกับชีวิตมากที่มาพบพระพุทธศาสนา เพราะก่อนนะั้นนั้นโยมเป็นคนที่นอนอยังไงก็ไม่หลับ<อ>นะไป เ, <อ>เที่ยวรักษาโดยนักจิตวิทยากินยาเป็นกำกำก็ไม่หายาวนันหนึ่งเมื่อได้มาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการนั่งสมาธิยมอัดสะจันใจจนน้ำตาไหลอยู่ที่บ้านนะโยมนะตีหนึ่งตีสองนอนไม่หลับพริกไปพริกมานอนไม่หลับต้องขึ้ น, น ม, มากินยาแล้วป ก, กว่าติยาอยู่ติกว่าพีโยมติยานอนหลับ เธอว่าเงินที่ซื้อยากินนั้นถ้าส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกก็ยังได้เกิด ค, ความสงสัยขึ้นมาว่าหมอเลี้ยงไข้หรือว่าโรคนี้มันเจะรักษาไม่หายจนตายกันไปข้างนึงตัง้งหนึ่งมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโยมก็เขียนต่อไปว่าแล้วยอมก็ได้ค้นพบความประเสริฐของพระพุทธศาสนาคือพอนั่งสมาธิโยมก็ง่วงตั้งแต่วันแรกเลย <c oughs> โยมอัจะรย์ใจเมื่อว่านี้คืออะไรเนี่ยโยมไม่หลับมาเป็นสิบปีพาะ้า น, นให้นั่งสมาธิหลักสูตรเข้มข้นสิบวันนองหลับตั้งแต่วันแรกไม่เคยกินยาเลยแม้แต่สิบวันนั้นตัแบ่ น, นั้นเป็นยังไงโยมโยมก็รู้สึก หลับตาก็นึกถึงแต่หน้าหมอว่าไอ้หมอบ้าหมอบอเอยาอะไรให้ฉันกิงแต่เพราะทำลูกเลยนะเดิมนะผมก็ร่วมพฤติกรรมการเคียงกันเยอะมากรู้จีนเป็นสิบปีนะเดิมนะเธอบอกว่าเตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้ผมนั่งปั๊บเป็นหลับปุ๊บ้วเอบอกว่าไม่ใช่หลับธรรมดานะเจ้าคะ บางวันเนี่ยยมถึงขั้นกลนเลยเนื่ยโยมความประเสริฐของพระพุทธศาสนาโ<ง>ยมเคยรู้จักหรื อ, อยังเจ้พระพุทธศาสนาประเสริฐขนาดนี้เนะ้อเข้าวัดกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเลยรู้ไหมว่าพระพุทธศาสนาประเสริฐรู้ไหมบางคนประเสริฐเพราะว่าถ้าไม่มีเข้ากินน้ำบาทวัดตุ่ทุกมือเลย อร่อยด้วยอร่อยด้วยนะยยนะบางคนก็มาที่วัดตะมา น, นั่งกินปลานเนินกันออย่างอื่นก็ไม่กินนะอาหารเต็มโตไม่กินกินปลานเนินอย่างโดีวต็ร่มเลยครับ คืปากป้อนปากรับ ป, ป้อนปอนากคนอื่นตั้งลงนินทากัน <S <S <S ปลาเน้นลงปลานิ น, น, นอันนี้กินกันเยอะเลยนะกหนไหมหกินอย่อื่นมั่งสกเนื้อสันมีก็ไม่กินเต้นตามมีก็ไม่กินนื้อกินแต่ปลานิน กำลังจะตําคอพ่านพี่เจ้าท่านบอกว่าเวลามีคนกําลังเดินทางให้ทำสองอย่างหนึ่งให้หนิ่งอย่างอาภิญญาละสองให้ลุกจากตรงนั้นไปอาตามาเคยเทศอย่างนี้แล้วลุกจิตเกลไปปฏิบัติแ ล, ล้ววิจิตอาดมาเขาก็าเป็นดาราแต่หนึ่งเขาก็ไปเดินแบบไปช่างแต่งหน้านะ ต้อ้อเป็นกระเทยกันทั้งนั้นนะยศมัอไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์มากผู้หญิงแต่งหน้าสวยๆสู้กระเทยก็ไม่ได้หรอกผู้จิตอัจมาคนหนึ่งเป็นช่างแต่งหน้าระดับมือทองของเมืองไทยคุณบอกว่าหน้านางเอกไทยเนีคยตกมาแล้วทุกหน้าตกเอาแป้งเนี่ยตกตกตกตตกความรับของดารานี่อยู่กระเทยแบบครึ่งประเทศ แ ล, ล้ลาลูกศิษอาตมาเขไปกองถายก็อย่างเนี้ยจำหนึ่งมาฟังอาตมาเทศพระอาจารย์บอกว่าถ้าเขาตั้งวงนินทาหนึ่งให้หนิ่งอย่างอริยะสให้ลุกออกไปวันนั้นลูกศิษย์อาตมา ก, ก็ได้ทดลองใช้พอเริ่มแต่งหน้าคุณยี่ชั้งแต่งหน้ามือหนึ่งก็เริ่มนินทาเลยนะเริ่มตั้งแต่โน่นแหละลากเข้ามาตั้งแต่เรื่องการเมืองไล่ไปไล่ไปไล่ไ ป, ไปจนถึงเรื่องการมุ้ ไล่ไปไล่ไปเธอก็นิ่งอย่างอลิย่านะเธอบอกว่าขันเขาเยอกแบงนื้ทั้งตัว <l ots> ถึงแต่หน้าจะมาว่าพอาจารย์จะขันนี้จะทนไม่ได้แล <l ots> ้เป็นขันปาก คุณพี่ตั้งแต่หน้าบอกว่าคุณน้องขาต้นนี้นะพี่ไม่เคยเล่าที่ไหนเ ล, นเลยนะนอกจะต้องเหยียบให้สำเร็จพี่บอกว่าแต่งหน้าได้เคพียงเดียวลุกเข้าห้องน้ำเลยทําไมโทรไปหาเพื่อนอีกที่หนึ่งเ้องเล่าเลยนทนไม่ได้สรุปแล้วนั่นละครเสรษฐกับมันบอกอัลตราม า, าพระอาจารย์เจ้าคะเม่อยอย่างอาเรียยอมทนไม่ได้จะยอมทํำยังไง โยมก็เลยพูดอย่างอาริยะพูดอย่างอาริยะคือยังไงคือใส่สีตีไข่เกินจริงไปเลยนี่ไงโยมถ้าโยมไม่มาวัดโยมจะไม่รู้จักความประเสริฐของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาประเสริฐเพราะว่าจะสอนศินละปะการดำรงชีวิตให้โยมไงใช่มสอนแต่ละพัฒน์นะเมือที้เห็นไหมเอโยมที่นอนไม่หลับพอเข้าวัดป๊บปีกลับไปนี่นะ เข้าบ้านไปเนี่ยถ้าเอายานอนหลับเป็นกรำกำนะยมไปทิ้งตอนนี้ตกใจโทรไปหาหมอหมออาการภรรยาผมนี่ดีหรือยังหมอบอกว่ายังไม่ดีนะคุณคงต้องอีกยาวแต่วันนี้ผมว่าอาการเมียผมหนักมากนะเป็นยังไงคือเธอเอายาไปทิ้งทั้งขยะหมดเลยเธอมีเนีวโน้มจะ บ, บ้าไหมหมอคือไม่หม า, หาแต่ทําไมต้องเอายาไปทิ้ง ทางหญิก็ตกใจก็เลยถามภรรยาว่าทำํำไมคุณอาญาไม่ทิ้งคุณจังไม่ได้หายเนี่ยภรรยาก็บอกแกไม่ต้องห่วงฉันแล้วก็หมอคนนั้นก็เทรไปบอกได้เลยว่าต่อไปก็ไม่ต้องโทรมาตามจิตถึงเวลาครบรอบยาไม่ต้องจัดให้ใช้ยาของฉันเองสามีก็งงยาของเธอคืออะไรคืนนี้เธอจะได้เห็นฤทธิ์ยาของพระพุทธเจา พอทานเข้าเสร็จสามทุมต่างฝ่ายตังจะเข้านอนพอ oh. ถึงเวลาเข้านอน oh. พันรายาทดลองยาของพระพุทธเจ้ายมคือนึ่งสมาธิทุกขเืนนา oh. กล ว, ว่าภายในหนึ่งเดือน oh. ผมของพันรายาหยมอ้าตึงสีษาเลยกลับมาสวยเหมือนเดิมเลยนะ oh. โรคกระเพาะลำไส้ของเธอซึ่งยามันไปกัะหายผิว oh. พันผุดผัดนะมีน้ำเมนูน ันหนึ่งสามีนั่งกินข้าวอยู่นะสามีถามเธอตป ว, วัดในพระเอายาดีถอกให้เธอกินหรอพ่อมีอะไรดีนนหนึ่งทำไมเธอเลิกกินยาสองทำไมผิวพรรณมันผุดพองและสามทำไมจากเดินที่เธอเป็นคนอารมณ์ดุอีกมุ่นงานน่ะพี่เน่เดินตบเดินตีประจาเลย ม, มีเลยรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไปอย่างนึงเคยถูกกระทําซะจนชินพอภรรยาไม่กระทําแต่ก็รู้สึกผิดปกตินะจริงๆมันคือปกติแล้วนะแบบนี้โยมเป็นจํานวนมากอยู่กับความทุกข์ที่เป็นเรื่องผิดปกติจนกลายเป็นปกติเพราะเขาแก้ทุกข์ไม่ได้ผูออ้นนี้ก็เลยสรุปในจดหมายว่าพระอจาจรเจ้าคะ ขนาดโยมไปฝึกสมาธิอย่างเดียวนะโยมแก้โรคนอนไม่หลับได้ประหยัดเงินจากการรักษาเยลยาที่ทุ่มไปเป็นสิบปีก็ได้สุขภาพโยมก็ดีเหลือเกินก็จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่าอาจารย์จะได้ช่วยกันเผยแผ่วิธีนั่งสมาธินี้ออกไปให้เยอะที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอแพร่กรจายเผยแผ่ให้ชาวต่างชาติด้วย เพราะชาวต่างชาตินั้นเขามีความคิดว่าปัญหาไหนแก้ไม่ได้ต้องหาหมออย่างเดียวต้องหาหมอหมดทุกอย่างในชีวิตมจะเป็นบาดเ ป, เป็นไอเป็นโน่นนี่นั่นหาหมออย่างเดียวและบางคนนั้นก็สรุปว่าพระอาจารย์เจ้าขาคนไทยนั้นโชคดีเหลือเกินที่มีหมอที่ชื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอใหญ่รักษาได้สารพัดโรคฝากพระอาจารย์ช่วย สอสมาธิภาวนาให้ก็หลังด้วยดูเจ้าพ่ออย่างยิ่งสามีของโยมโยมปลดเขาสําเร็จแล้วเหนือก็แต่สั่งททั่วไปที่โยมทํามากไม่ได้เท่าพระอาจารย์เพราะโยมเป็นผู้หญิงและโยมก็เป็นชาวบ้านที่วันนี้โยมภูมิใจยอย่างยิ่งที่ในชีวิตนี้โยมสามารถชุดสามีขึ้นจากนรกนี่คุณโยมดูจนหมาฉยฉบัเ น, นี้ยห็นว่าดีไหมคนคนหนึ่งเขาเปลี่ยนชีวิตเพราะอะไร คนพบความประเสริฐของพระพุทธศาสนาแต่ว right. no, no. ันน well ี้มากันเป็นสองสามร้อยคนคุณยอมคนพบไหมพอพระอาจารย์เริ่มเทศยอมก็งงอย่างนี้ก็ยังดีนะยอมนะยอมมันหลับในวัดก็ดีกว่าไปหลับอยู่ในในผับในบารในรถแล้วให้คนอื่นหามมาส่งบ้านใช่ไหมนี่คือความประเสริฐของพระพุทธศาสนามิจะมาอย่างนี้ ญาติโยมได้ชอบกินปราเนนกันพอมาที่วัดวันนี้ก็ได้รู้ว่าโอ้นอกจากปลาเนนแล้วมันต้องกินปลาตะเพียนรู้จักปลาตะเพียนไหมเพียนปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรชาวโยมต้องเพียนปฏิบัติธรรมในเชติไปกินปลาเนนกินโอเยอะตอนนันไม่กินนะชอบกินโอเยอะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่กินเส้นกินแต่ลูกชิ้น ถ้าโยมยั ง, ยงคงใช้ชีวิตของโยมต่อไปต่อไปต่อไปโยมจะไม่ได้รู้วิธีแก้ทุกพอยมมาหาพระพระจับยาแก้ทุกให้ทีละขนาดทีละขนาดทีละขนาด น, น, นี่คือความประเสริฐของพระพุทธศาสนาทีนี้แต่เาจะเล่าเรื่องความประเสริฐของพระพุทธศาสนาผ่านปฏิปทาของพระมหาเถระ ร, รูปหนึ่งเพราะว่ามีคุณโยมเจ้าภาพได้นําเอาสป็เล็จพระพุทธอาจารโตนะซี่เป็นรูปตั้น มาน้อมถวายแล้วโก้พระสารีบุตรพระมุขลานะด้วยนี่แจกมีกันสามองค์ถหยุดแต่ททั้งสามองค์มาเล่าคงไม่หมดแต่มาจะขอหยิบเอาที่สมเด็จพระพุทธาจารยตโตก็แล้วกันมาเล่าให้ฟังท่านยมได้มองเห็นความประเสริฐของพระพุทธศาสนาผ่านปฏิปทาของพระเถระรูปนี้พวกเราทุกคนรู้จักสมเด็จพระพุทธาจาร่อไหมเคยได้ยินชื่อนี้ไหม สมเด็จพระพุทธาจารย์เช่ดเดิมชื่อโตฉายาพรมรังสีมีชีวิตยอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ผงานโดดเด่นของท่านนะโยมนะไม่ใช่พระสมเด็จนะก็พูดถึงพระในคนไทยจะนึกถึงพระสมเด็จใช่ไหมก็พระสมเด็จพทุทธาจารย์โตนี่แหละสมเด็จวัดรักขังเคยได้ยินไหมเดิเคยมีไหม แล้วองค์ถ้าเป็นของจริงนะที่ยอมมีในเก๋ตั้งนอะมันต้องมมาอยู่ทำไมเมืองนอกถ้าสมเด็จพระเจ้าจาันตร์วัตรคังเนะี่ยคือสมเด็จวัตรคังบองค์ยี่สิบล้านกัาองค์ยี่สิบห้าล้านบางองค์สน น, นนราคาอยู่ที่สามสิบล้านก็ไม่ลองไปดูนะที่มีอยู่เนี่ยของจริงหรือเปล่ า, าถ้าไม่เชื่อออกมาให้แต่มาจะไปพิสูจน์ให้ที่เมืองไทยนะ เรียกสมเด็จพระอาจารย์โตมาอยู่ระฆังเจ้าว่าท่านฝันยมเจ้าแม่โตฝันว่ามีช้างเผือกชิ้นหนึ่งมาที่วัดพอมาถึงวัดช้างเผือก้นนี้ตรงไปที่ตู้พระไตรปิฎกแล้วคุยเอาพระไตรปิฎกในตู้มันกินหมดเลยกุ้มกุ้มกุมกุ้มกุ้มไม่ินอ้อยเลยแล้วเจ้าวัดก็สะดุ้งตื่น วนรุ่งเช้าท่านสั่งพระใวัดว่าตรงนี้ถ้ามีใครเอาเหล็กมาฝากเพื่อเป็นสิทธิ์วัดให้รับอย่างไม่มีเงื่อนไขรับ <c oughs> เลยเพืออะไร <c oughs> เพือเมื่อคือนฝันดีไงใช่ไหมเมื่อคือนฝันดีเนี่ยให้รับอย่างไม่มีเงื่อนไขเล <c oughs> ยพอสายๆ <c oughs> ก็มีคนเอาเหล็กคนหนึ่งมาจาก ต่างจังหวัดถ้าจำไม่เห็น ด, ดูเหมือนจะอยุธยาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดรับเด็กคนนั้นไว้พอตอนเย็นๆหลวงพ่อเจ้าวาดกลับมาก็นํามาสอบสวนทวนความไล่เรียงดูสติปัญญาปรากฏว่าเฉลียวฉลาดมากจึงให้บวชพอบวชแล้วก็เรียนคำพีพระเจ้าวิดโดกยมเรียนในฝันทุกอย่างเลยเอาอะไรให้เรียนเรียนจบบวชจนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งได้ไปสอบสนามหลวงพระราชามหากษัตริย์ ดูเหมืนจะในหลวงรัช ก, กาลที่สี่แล้วก็พระเถระทั้งหลายมาร่วมสอบก็ได้ความว่าพระรุ่นนี้อัจฉริยะมากจนพระเถระซึ่งเป็นกรรมาการร่วมหนึ่งบอกว่า mm hmm. ขาวโตเนี่ยนะมหาโตเนี่ยเ้าไม่เดินมาสอบแล้วเขามาแปลบาลีให้ฉันฟังคุณลอคิดดูนะว่ากรรมาการพูดถึงขนาดนี้แสดงว่าเก่งไหมเก่งมากเพราะเกงมากๆแล้วเป็นยังไง ถึางได้ไปเรียนเก้าดูเหมือนจะสอบวันเดียวแล้วมังได้ประเด็นเก้าเลยโยมคือบุกให้เลยไม่ต้องสอบหลายครั้งคือคาตัวทั่วไปค่าทวทั่วไปเนี่สอบกันกว่าจะได้ไปเรียนเกนะ้าเนี่ยสอบกันจงแก่กันไปขั้นึลยนะโยมนะดีแค่บางรูปสอบบาเลนยนายโมสอบตีที่ตมาเกิดมาได้ประเด็นเก้าพร้อมกับตมาเป็นสิ่งหนึงคือสอบมานทั้งชีวิตนะ่ะจนอายุหกสิบถึงสอบได้คิดดูว่าสติปัญญาขนาดไหนนะ แต่ว่าตอเด็กพูดธจารย์โตนั้นไปสอบต๊อก็ได้เป็นเปลี่ยนเข้าอัจฉริยะมากทีนี้นี่จะเก่งมากมากจึงได้รับโปรดกล้าให้เป็นพระที่ในหลวงไว้วางใจมากให้น้องออกในในพระราชวังได้ไว้วางใจขนาดไหนไว้วางใจขนาดที่ว่าสามารถเปลี่ยนในหลวงได้ที่รู้แล้วกันต่านผู้เรานี้มีมีใครทําน้าที่ตรงนี้ได้ไหมมีไหมจะได้เปลียนในหลวงเลยโยม เตือนค้ายมยังไม่กล้าเลยใช่ไหมเตือนพ่อเตือนแม่ยมยังไม่กล้าเลยนะพ่อแม่กินเหล้าเมายาเงี้ยยอมยังไม่กล้าไปเตือนเลยแต่ไม่เตือนในหลวงได้นี่หนึ่งเมื่อแรกสเสวยราชในช่วงสเสวยราชใหม่ๆนี่เป็นช่วงฮันนีมูนนะเป็ช่วงฮันนีมูนบนราชบัลลังก์เพลงท่านก็คงจะสรงพระเกระเสมสำรานมากยมไม่ได้สเสด็จเ อ, อกวาวรราชการหลายวันต่อเนื่องกัน เมื่ก็ต้องหาวิธีเตือนนะในงบ้านเมืองจะเสียหายได้ในวิธีเตือนผู้ใหญ่ในเขาเตือนกันยังไงโยมเขาบอกว่าคนที่จะเตือนผู้ใหญ่นะถ้าทําเป็นก็เป็นคนถ้าทําไม่เป็นก็เป็นโทษถ้าโยมไม่เชื่อโยมกลับไปถ้าพ่อไม่ยังอยู่โยมลงไม่เตือนดูหนินะลองดูไหม <c oughs> เพราะว่าการเตือนผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายง่าใหที่เตือนได้ยักที่สุดหนึ่งต้นนายสองพระสงค์สามพ่อแม่สี่ครูบาอาจารย์เจ้านาเราเตือนไม่ได้เพราะว่าอะไรเทไใบในที่สูงนะแต่หมอกเขาดีไปเตือนก็จะโดนก็หาเหม็นพระบรมเดชานุภาพได้เพราะฉะนั้นยากมาสองข้อสง ใครจะกล้าไปสอนหนังสือพระสังกราชใช่มให้เป็นเหตนให้เวลาพระโง่นะโยมปล่อยเลยไปตามเลยนะเห็นหลวงพ่อโง่หลวงพี่โง่เนี่ยโดนปล่อยเลยตามเลยไมกสอนหนังสือสังกราชนจนท่านออกทะเลไปก่อยท่านไอ ด, ด้วยตัวของท่านเองก็ไม่มีใคเตือนถามพ่อแม่พ่อแม่ไม่เปลีนไม่ได้พ่อแม่มักจะบอกว่า แต่คิดว่าแกาเป็นใครแช่ น, น้ําร้อนมาก่อนแกแต่ <c oughs> พ่อแม่บางคนไม่ใช่เพียงแต่น้าร้อนมาก่อนถกน้ําร้อนลูกก็มีนะ <c oughs> พ่อแม่บางคนนี่น้าร้อนลูกนะ่บมีคนน้ําร้อนลูกนี้เะลอกบอกเปิกยังมีหน้าไม่ให้ใครเตือน <c oughs> นะฮะแล้วกครูครูคก็เตือนไม่ได้นะก็ครูก็สอนหนังสือใช่ไหมจเจะเด็ชั่วก็ครูเช่น ผู้เสิก็ปล่อยครูโอ้ง่ไปไม่เลยหลวงไม่ว่าราชการแผ่นดินหลายวันไมใครก็เตืนอนพวกทุกคนก็กลัวหมดกรณีผู้ใดจาต้องต้องเตือนถ้าทํายังไงท่านเองก็กลัวราชภัยเหมือนกันนะแต่ท่านมีศิ ล, ละปะวันหนึ่งท่านก็เลยจุดใต้เข้าวังอยู่สมัยก่อนเขาจุดเขาเพลิงใช่ไหะท่านจะให้เด็กวัดจุดคบเพลิงไปพายเรือข้ามไป จากวัดระฆังขึ้นไปสํานักพระราชวังถือคุบเพิงเข้าไปเลยกลางวี่กังวันเนี่ยนะทหารพฝ้วังเห็นสมเด็จถือคุบเพิงมาอะไรเนี่ยมันคุบเพิงโอลิมปิกอันนั่นน่ะ <c oughs> เออคุบพิฟุตบอลโลกพิกจารณาดูคนถือเป็นสมเด็จพุะอาจารย์ทหารเล็กเห็นสมเด็จพระอาจารย์โตถือใต้เข้าวัง ขาใหญ่เหมือนกันนะาหราือ ก, ก็ไม่กล้าเตือนนะถ้าจะจุดใต้ไปเผาวังก็ต้องปล่อยแเพราะไม่กล้าเตือนเหมือนกันถ้าจะจุดใต้เดินทึงทึงทึงทึงทะลุดทุกปตระตูเลยโยมลุ้นจนไปยืน อ, อยู่ท้องพระโลกนุนจุดใต้ยัง ก, กันนักกีฬาโอลิมปิกู่ในวังมอเหมืนอนเหมือนเทปีเสรีภาพที่อเมริกานะท่านหนึ่งเคยคนไปกราบบังคมทูลว่า วันนี้ขัวโตไม่รู้ไปกินยาดีอะไรมาเนี่ยจิตใต้เขามายืนรอพระองค์ท่านอยู่ที่ท้องพระโลงในหลราชการที่สี่เสด็จออกมาพอมาถึงพบพระรามาอ้าวันนี้รัวมาเองเหรอเอาละเอาละเรียนรู้ละเรียนรู้ละนี่วนกลับไปจํำวัตถอะเรื่องว่าอรหันย่อมรู้ในอรหัน์ปราดย่อมรู้ในปราด โจรยอมรู้ในจนแต่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คืนนี้ต้องเตือนยอมทํากันถึงขนาดนี้นะต้องเตือนนะ่ข้าวในหลวงฉลาดมากเลยว่าพระองค์อาจจะมืดมิดไปหน่อยนะช่วงนี้อยู่ทําการสาวสรรกํนานันในมันก็เลยเพลินไม่ได้ว่าออกว่าราชการหลายวันบ้านเมืองมืดมิดไปหน่อยน่ะถึงเด็ดจุดใต้มางี้นี่หลวงรู้ทันทัน ท, ท, ทีเลยนะข้าวในหลว ง, รงประหลาดยอมรู้ในปราบ นี่แต่ประกาดนะโยมนะถ้าถูกเตือนด้วยเหตุผลต้องไม่โกรธเียนทง่ไหนเหมือนกันนะเวลามีคนมาเตือนอ่ะหลายคนลูกมาเตือนหลานมาเตือนยังไม่ทันพูดทันฟังอะไรจนจบเลยนะแต่จิตวายอันนี้สมมติเหตุการสมมุติไม่ต้องออกรับนะไม่ต้องรู้สึกกระเทือนใจจิตวายลูกมาเตือนอ่าไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะจิตมด้คึ้งหนึ่งอารมณ์เสีย <g ill ances> ยา ง, กงาแก้วไปแก่อายุเท่าไหร่ละแป่ขึ้นได้แก่ เ, กเป็นใครแก่ขึ้นไแก่เรียนสูงกว่าฉันนั้นหรือฉันจะบอกอะไรให้ฉันนป็นแม่แก่นะนี่ด้วยควาสนใจมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะมีคนมาปโปรดทันให้เขาได้ปโปรดไหมทัใในให้เขาได้ปโปรดหรอโยมพระโพธิสัตว์มาปโปรดดาพระโพ ธ, ธิสัตว์เพราะฉะนั้นให้ถือหลักแบบรอสีนะ เวลามีคนมาเตือนให้เหมือนคนมาชี้ขุมทรัพย์าห้แบบนี้ดิลิโกรดถ้ามีใครมาเตือนโยมนะแสดงว่าโยมโชคดีมากนะโยมกำลังมีกระจกวิเศษมาส่งไนะเชิญโยมมัมมีกระจกวิเศษมาส่งแต่มนมุษย์ไม่ชอบคําเตือนนะมันไม่ชอบอะไรโยมคําย อ, คยอใครไม่ชอบคํายอบ้าง คนบางคนนะเตียยโมโตอม้อันนี้สมมตินะแต่มีคนมาชมว่าคนดีจังเลยมิ่กว่า ง, างพ อ, ออกพอใจั่งหักยังกะสานหัก เวลามีคนมาชมบ่าโด่งเป็นสันต้องเผอคำนั่งเกงมองตรงๆอาจจะไม่เห็นมองด้านข้างก็ได้บางคนก็กลามใหญ่โนกเป็นสันยังกระครางหมูมีคนมาชมม่นเหมือนเขตมอสสุดยอดนางแบบก็้องชื่นชมพี่คนมันก็ชอบชมมากกว่าติ ยังหารู้ไหมว่าคำชมบางครั้งทําให้เราประมาททั้งเถอใช่ไหมแต่คำเตือนนั่นแหละมีประโยชน์มากเพราะเวลาใครก็จะมาติเรานะเขาได้คิดหนักนะหยมนะเขาต้องคิดมากเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะชมใครเราไม่ต้องคิดมากหยมแต่การพูดหลุด จ, จากปากมันง่ายนิดเดียวใช่ไหม<ช>แต่เวลาเราจะเตือนใครเราต้องคิดนานช่วยที่เราถูกเตือนนะให้ขอบคุณคนที่มาเตือนเรานะ ยังต้องหันไปขอบคุณว่าสาธุช่างีเมตตาแต่รุนามูุริตาเหลือเกินมาเตือนฉันจะรักคำเตือนเอาไว้เหนือเสียงเหนือเก้วแลวจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติขอให้เธอพูดซึ่งมาเตือนฉันอายุมั่นข่อนยืนนะสาธุนี่เคยพูดอะไรอย่างนี้ไหมเป็นมนุษย์สนใหญ่นะใครมาเตือนฟังไม่จบแต่ปชนเวลาใครมาเตือนจะฟังจนจบ ในตมานี่เวลามีคนมาเตือนนะตมาจะบอกว่าอะมีอะไรพูดมาให้หมดฉันจะฟังคร <c oughs> ้มีพระผู้ใหญ่ร่วมหนึ่งมาหาตมามาเตือนอัตมาท่านมหา <c oughs> ผมมีอะไรจะให้เป็นของขวัญบันเกิดท่านมหา <c oughs> เราก็นนดีใจนึกว่าจะล้วงจากยาม <c oughs> ที่ไหนได้ล้วงจากปากท่านก็เตือนอัตมาในฐานะพระรุ่นพี่นะ ว่าท่านมาหานะกำลังรุง่งตอนนี้เป็นเหมือนพลุแต่ผมก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นในวันเกิดนี้ก็จะขอมอบคำเตือนไว้สักสมสามข้อท่านมาหาจะโกรธผมไหมท่านก็อย่างเชิงดูนะเราก็นึกในแจว่ามีมนตรมาถึงวัดเราจะโกรธได้ไงเข้าวัดฉันของหลวงพ่อไปเลยแล้วก็ก้มลงกล่าวว่าหลวงพ่อจะไม่ตาเตือนอะไรเตือนเลยครับ เพระเาะว่ามีคนชมผมเยอะมากแล้วล่ะผมเนี่ยนะถ้าถูกเตือนสักทีหนึ่งชีวิตคงจะสมบูรณ์แบบมากเลยไน่อจากว่าใครๆก็ชมนี่มลหลวงพ่อเลยครับแต่มาก้มเล ย, ยแล้วท่านก็เอพรมันเกิด HAPPY BIRTHDAY TO YOU <c oughs> ท่านนำทางมาก่อนนะ <c oughs> พอพรเสร็จปุ๊บท่านก็เตือนว่าหนึ่งสองสามท่านให้มาสามข้อ ทุกข้อนี้นเป็นคุณอุปการต่อธรรมาจนเท่ากันกนะธรรมาฟังจนจบแล้วธรรมาไม่โกรธคุณเัี้ยเห็นไหมถ้าเรากล้าที่จะฟังคําตักเตือนของเพื่อนผู้ปรารถนาดีเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่กล้าฟังคําตักเตือนของเพื่อนผู้ปรารถนาดีเราจะมีชีวิตที่แย่ลงเพราะคนจะเตือนเราเขาต้องคิดนานแต่คุณจะชมเราไม่ต้องคิดนานฉะนั้นจงระวังคําชม องขอบคุณคําเตือนโดยหัาเจาการที่สี่นี้พอสมเด็จโตมาเตือนนะสาธุนะเป็นบุนของโยมเหลือเกินที่มีนักปราชญ์จนสมเด็จยืนในแผ่นดินสต่ละท่านก็สมเด็จขึ้นโคตรโตก็กลับวัดด้วการที่ไปเตือนในหลวงนะเป็นเหตุให้สมณศักดขึ้นพุดทๆเลยโยมไม่ต้เป็นพระครูแล้อ <aujourd' processes> ีทีหนึ่งเป็นรองสมเด็จแล้วอีกทีหนึ่งเป็นสมเด็จเลย ูสิโยมก็เตือนนะต่อแก้เลื่อนยศให้เรืที่หนึ่งนะเรื่ อ, องที่สองครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่สี่โปรดตักบาททางเรือโปรดของท่านมากแล้วกําลังเป็นแฟชั่นใหม่ๆ ใ, ในยุคนั้นเลยนะท้องฝนพระจะตักบาทแล้วก็ต้องนิมนต์พระเถรซทั้งหลายมามารับบป็นทาบาทอย่างง่ายโยมหลวงสนุกที่ไดตักบาททางเรือในหลวงสนุก แต่พระไม่นสนุกเพราะอะไรเพราะเวลาหนีบนพระเนี่ยหนีบนข้าเด็กๆมันอาจมานะตัวนี้มนัม น, อมนะ น, มนองค์ที่แกงงมักเส้อมักหยบหยบหยบอายุเจ็ด80ดิ บ, บ, บ, บ, บ, บ, บแล้นี่มันเขาเ้าไปในวังหลองจะทรงบาด ท, ทางเรือแอ้หล <c oughs> วงพ่อต้องทำยังไงหลวงพ่อทุกรูปจะไปฝึกพายเรือ ปูปูหลวงบ่อลงคลองมังกรน้อยฝึกภายเรือหันเรีอหันควงจะไปเจอในหลวงนี่ประมาจจนพูดไม่เป็นแล้วนะนี่จะต้องประคองตัวเองและประคองเรือแล้ก็ทำบาตตั้งไว้กลางเรือแล้ววันหนึ่งสําเร็จพุทธจันทร์โตก็ได้ไปด้วยสมเร็จโตท่านกระชับกระเฉงนั้นก็ภายเรือนอกจากท่านพายเรือเป็นท่าบาตรประจำท่านก็คุ้นเคยเ่อเหน็นท่านไปเห็นเหตุการณ์ตายละ หลวงตาองค์นั้นหันรีหันขวางอครัวโตเตยเค้าไปถามว่าหลวงพ่อมาจากวัดไหนหลวงตานึกชื่อวัดไม่ออกเพราะ <c oughs> อะไรเกรงไปหมดว่ า, า, า, าเร่องหลวงจะถามแค่สมเด็จโตเข้าไปถามยังนึกชื่อวัดไม่ออกสมเด็จโตสังเกตอยู่สองสามครั้งเห็นว่าการทรงบัตรทางเรือทำให้พระเถระลำบากมากก็เลยคิดว่า เป็อนอย่างนี้ต่อไปจะได้บากแก่พระราชามหากษัตริย์เพราะอะไรเพราะไหนพระจะต้องไปฝึกภายเรือใช่ไหมไหนจะต้องประวัติพื่นพึงกลัวเรือจะล่มไมงสนุกแต่พระไม่สนุกเป <c oughs> <c oughs> ็นหนึ่งเมื่อสมเด็จพระราชาตรองเข้าไปรับอาหารเบญบาทโดยทางเรือเหมือนกันท่าเป็นรูปแ ร, รกๆ เ, เลยที่ในหลวงทรงบาปเสร็จแล้วท่านกาวว่าหัวเรือไปเกลืออยู่ที่ถิ่นตลิ่ หลวงตาหลวงพ่อเขียวหมักหยบหยบพายเรือนะ่ะหันไปทางน้นหันไปทางนี้ชงกันงกึ่งกึงกึ่พงพอจังหวัดเสร็จทุกรูปนะสมเด็จทั้งหลายหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายกลับวัดแต่ขัวโตว ย, ยังไม่กลับไนอะ้หลวงก็มากระเซาขัวต่อยังไงจู่ครัวอาหารไม่พอฉันเหรอนี่ยังไม่กลับเน่ะรับก่อนเพื่อนนะเนี่ย พระโตรก็บอกว่าหาไม่ได้หรอกที่อาจารย์าพยังไม่กลับวัดก็เพระตั้งใจว่าจะอยู่เป็นเพื่อนหลวงตาหนะจะด้อยู่เป็นเพื่อนหลวงตาองค์นั้นแค่นี้โยมพอโขโตกลับไปมหารักสั่งลงมาว่าให้วดราชกิจคือการตักบาตรทางเรือนนับแต่นั้นเพื่ออะไรอรหันย่อมรู้ในอรหัน บาดย่อมรู้ในปราดย่อมนี่ถ้าเป็นอย่างเราเรานะี่ยอมจะรู้ไหมเมื <c oughs> อ่อครูโตพูดแค่นี้นารับสั่งลงมาว่ารัฐ ก, กิจอันนับเรื่องด้วยการสรงบาด ท, ทางเรือนั้นขอให้งดนับแต่นี้เป็นต้นไปมีตัวอย่างของการเตือนผู้ใหญ่ยอมถ้ายอมจะเตือนผู้ใหญ่ยอมต้องมีศิละปะเมื่อผู้แต่งโตเตือนในหนูราชการที่สี่นั้นโดยมไม่ชม้ำนะไม่ขุนนะยอมนะ คือไม่ได้พูดตรงๆรงไงขวตัตเจบอกว่าจจริงก็อยากจะกลับแต่ว่าเป็นห่วงหลวงตาอย่างอยู่เป็นเพื่อนแต่นาชจุนการที่สี่นั้นพระสติปัญญาณนังอัจฉริยภาพมากยมถ้าไม่อัจฉริยภาพพระองค์จะไม่สามารถรับมือกับจกกักรวรรดินิยมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษได้ใช่ไหมแต่นาชการที่สี่เป็นกษัตริย์สยามรุ่นแรกที่ตรัสภาษาอังกฤษได้เมื่อแรกที่เสือจรบอลลิ้นเข้าไปจเจริญสัมพันธ์หน้ไมตรีถึงกับต้อง คัง ท, ท่าทีใหม่ต่อสยามพ่าสยามนั้นซีเวลเซชันเรียบร้อยแล้วแต่จัดภาษาอังกฤษได้มีอารยธรรมเหมือนชาวตะวันตกฉันฉันเป็นปลาถึงขนาด น, นี้สมเด็จตัวพูดประโยคเดียวรู้หันทุกอย่างที่ทุกต่อเนี้สรุปหลักการนํามาใช้ก็คือว่าเวลาโยมจะเตือนใครอย่าทําให้คนที่ตกเตือนเสียหน้าจาได้นะเวลาชมให้ชมต่อหน้าเวลาด่าให้ด่ารับหลัง จะชมคนให้ชมต่อหน้าธารกำนันอย่างนี้คนที่ถูกชมจะชื่อนอกชื่นใจแต่ถ้าจะด่าใครด่าลูกด่าหลานด่าลูกน้องเรียกเข้าไปในห้องในที่ระโหฐานและตำห น, นิเป็นการส่วนตัวอย่าไปหักหน้าใครต่อหน้าธารกำนันแค่ไรจะทําให้เขารู้สึกเสียหน้าหร้อจะกลายเป็นความแค้นมีคนจํานวนมากไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะเรียกใครบางคนในบริษัทมาแล้วก็ด่ากลางที่ประชมุม เล็กๆแต่เขาถูกด่ากันที่ประชุมเขาเสียหน้าไหมเสียหน้าเล็กๆกลายเป็นน้ำพุ่งหยดเดียวแล้วลุกลามขึ้นมาอาคาพยาบาทเล่นงานกัน <S <s แต่ถ้าคุณจะชมใคร <S <s คุณจะยกใครนะ <S <s คุณชมที่เต็มที่ต่อหน้าธาร ก, กําลังนเขาจะได้ภาคภูมิใจแต่ถ้าจะตะหนิเรียกไปในห้องลับเป็นส่วนตัวนีะ่ะเราเปิดเผยใจระไหนให้เขาฟังเขาก็จะครบเราเหมือนเดิมใช่ไหมล้วคนอื่ น, นไม่มีใครมารุมด่าเขาฉนั้นต้องให้เกียรติคนนะ อยู่กับคนต้องให้เกียรติคนถึงนี้นเราจะมีศักย์ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตําหนิลูกน้องได้เต็มที่แต่อย่าตําหนิโดยไม่มีศิละปะเดี๋ยวกลายเป็นอันตรายได้นะตอนนี้ไทยยมเกิดได้ข่าวไหมเจ้าของรา้านอาหารเรียกคนงานพม่ามาตําหนิหแล้วเปนคืนเขารอบเข้ามาปาดคอ <c oughs> อืมแหมตำหนิไี่เป็นนะระวังนะท่านท่าย์เตือนแล้วนะนี่แหละศิลปะในการเตือนอย่าทําให้คนที่ถูกเตือนเขาเสียหน้า อาดูเรื่องที่สามสมเด็จนั้นท่านเป็นเจ้าวาดวัดระฆังเท่นัเนื่องจากท่านเป็นสมเด็จที่คนเคารพทั้งแผ่นดิน่นกระทั่งทุกวันนี้คนก็ยังเคารพใช่ไหมคิดดูว่าในสมัยนั้นคนจะเคารพขนาไหนทีนี้เนื่องจากคนเคารพจนมากเนี่ยท่านพูดอะไรคนฟังหมดยมเชื่อหมดท่านเป็อยากจะรู้ว่าลรงในวัดมันมีคนจริงใจกับฉันไหมแล้ววนหนึ่งท่านก็ทดลองด้วยทฤษฎีของท่านเอง ถ้าอาหารทุกอย่างที่โยมมาถวายเหมือนวันนี้ยนโ ย, ยมเต็มโตเลยโยมอาอาหารมาถวายวันนี้ขัวโ ต, วโ ต, วโตวเข้าครัวเอาอาหารทั้งหมดโยมเทลงในกระทะใบบัวแล้วลคนคนคนคนคนคนทั้งรสช่องทั้งน้ำพริกทั้งสีมตันทั้งปลาระทั้งแฮมเบอร์เกอร์เ <c oughs> ทลงไปที่เดียวกันแล้วเติมน้ำลงไปคนหมดถึงเวลาเพลนพระในทุเรำ ม, มาฉันที่โรงครัวสเมเด็จปักถวายคนละถ้วยคนละถ้วยคนละถ้วย สักพักหนึ่งฉันกันเสร็จแล้วสมเด็จ ก, ก็ถามเรียงตัวเลยอร่อยไหมโ อ, อ้นนี้ฉันก็คลัวเองน ะ, นะเป็นพค่ร อ, องเจ้าวาัอเม็นแต่เคยฉันอาหารมาเนี่ยนะวันนี้นมันเปรียบปานอาหารเมื่าก่อนว่ากจมาจคุณสมเด็จมีฝีมือทำครัว แต่เพื่อจวาดพูดอย่างนี้อยมแล้วองค์อื่นมันจะเหลืออะไรให้ชมเ <c> ล <oughs> ่นกันว่าอาหารทิ้งไปองค์อื่นก็บอกนี่มันเชียวชวนชิมมาเองนะ <c oughs> องค์ที่สององค์ที่สามก็บอกนี่ระดับไม่ช้อยหนังรำนะ <c oughs> องค์ที่สีก็บอกนี่มังันสีมาปรุงเอง น, น <c oughs> อั่นน่ะองค์ที่ห้าก็บอกว่านี่ของกรผมนะ สสายตระกูลเป็นพ่อครัวหัวป่ากันมาแต่ผมก็พอจะมีฝีมืออยู่บ้างในทางครัวแต่ันนี้มาชิมฝีมือของโชวพระคุณแล้วเนะี่ยไม่ได้ฝีมื อ, นะอท่านน่ะปนเอกถ้านได้นี่อีกสักมือนะ่ <c oughs> <c oughs> งนะโตฟังอย่างนี้ยดมนี่จีบสามสบรูรวบยอดันแ น, น่นท้องไปหมดเลยจนไปถึงพระรูหนึ่งเป็นหลวงตา ภรรยาเพิ่งตายหนีก็มาบวชเพราะว่าทนต่อความทุกข์ไม่ไหวไม่รู้ขนกธรรมเนียมในวัดว่าใครเป็นใครไม่รู้ใครหมู่ใครจา่าเบื่เข้ามาเมื่อวานแต่เลยไม่กลัวใครย่างสิน้นไปหัวตัวถามเอา้าหลวตาว่าไงอาขอประธานอภัยอาหารวันนี้หมาไม่แดกโอ้ยลมเท่านั้นเอง นคนตนลุกจากอาสนะชื่ออะไรเนี่ยเราชื่ออะไรบุยดไม่ได้เนี่ยโอ้โหขดขามที่แต่พวกคุณเนอะต้นยอต้นขามเลยโยมแล้วเย็นวันนั้นพอทามัดส่วนม่อนท่านก็บอกว่าเราเป็นพระอยู่กันนี่ต้องรักษาความจริงใจถ้าเราไม่จริงใจแล้วยอมที่ไหนจะมาจริงใจต่อพวกเราทำให้มันต้องเริ่มที่พระเริ่มที่วัดไม่ใช่เริ่มที่โยม พร้อยสอนนี่พวกเขามีสัจจะแล้วพวกเราเนี่ยมีสัจจะัหมผู้ชยายตาว่านึกถึงตัวเองนึกว่าตอนเช้าชมอะไรไปตอนนี้ชมว่าอาหารขัน้นเทพเปียกปลาอาหารที่แต่ตน้องตาบอกหมาไม่แดกนึกแล้วยี่สิบสามสรูปยมสะเทือนใจหมดเลยนี่คือสมเด็จโตของเรา ท่สอนเต็มอย่างนี้เห็นหมนะเพราะฉะนั้นท่านก็ชื่นชมหลวงตา ม, มากท่าจะจิดยกให้เป็นพระครูฐานาด้วยนี่เป็นคติคติว่าอยู่ด้วยกันต้องมีความจริงใจนะถ้าคนใกล้กันไม่จริงใจแล้วคนไกลที่ไหนจะมาจริงใจใช่ไหมโยมถ้าเราลอกันไปหมดน่ะปากว่าด้วยกันไปทั้งหมดน่ะแดี๋ยวว่าโลกนี้มันจะมีประสบุรุษไหมปัญหาที่แทาจริงจะได้รับการแก้ไขไหยต่อหน้าไม่พูด ลัดหลังและโอดเกร่งกันใหญ่โตนี่คือไม่มีความจริงใจไงโยมไม่มีความจริงใจเชนเราอยู่ด้วยกันให้มีความจริงใจต่อกันและกันถ้าเราไม่จริงใจต่อคนใกล้คนไกลที่ไหนจะมาจริงกับพวกเราใช่ไหที่ไหนที่มีการยกย่องความจริงและก็ให้เกียรติคนจริงที่นั่นจะมีความเจริญที่ไหนรังเกียจความจริงแล้วก็ยกย่องคนเท็จที่นั่นจะมีแต่ความเสืจจ่อมเอไปจดจาแล้วก็นาไปปฏิบัต ทีนีไ้ไปดูต่อไปนะในพระอาจารย์โตนั้นท่านมีวิธีสอนที่แ ป, กปลกๆคล้ายๆก็เป็นศาสนาลิาสิตคนนี้เคยสอนตรงๆนะนแะด่อารยนี่สอนไม่เคยมีศิลปะเท่าท่านนะอาจารยนี่สอนตรงไปนะด้านหลังอาจารม์จะต้องไปเรียนรู้แต่ถ้าจะสอนแบบสมเด็จพระอาจารย์โตผู้ฟังต้องฉลาดใช่ไหมคือถ้าพระ พ, พูดนิดหนึ่งแล้วยมอึ้งไปเลยนะอนาจารย์เคยพูดแล้วมันอึง้งเหมือนกันนะ แต่เอนะิ่มเพราะว่าไม่เข้าใจแต่เอ <No ิ่มเพราะทรรนะที่สี่นี้ก็สําคัญมากในสมัยรัชกาลที่สามพระชอบเตะตะกร้อเตะแม้กระทั่งในวังหลวงที่ที่วัดตะแก้วเพราะมีคนไปฟ้องรัชกาลที่สามรัชกาลที่สามทรงพระอารมณ์ขันมากเสนาพระราชอารมณ์ขันได้สั่งว่าเจ้ากูจะออกกําลังบ้างก็ช่างเจ้ากูเถิด กูก็จะสมัยก่อนใจกว้างให้พระได อ, อกกำลังบ้างทีอ <c oughs> ีพระที่วัดระังก็เตะตะ ก, กร้อบ้ ง, งสงสัย จ, จะเห็นว่าในหลวงยังไม่เอาโทษเลยนะเราก็ต้องออกกำลังบ้างนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จะพูดอะไรออกไปต้องระวังนะพูดน้อยเอาไปตีความนะยศนะพอในหลวงพูดว่ามเจ้ากูจะออกกำลังบ้างก็ช่างเจเ้ากูเถอดพระวัดรคังเลยได้ขออ้างเลยล้วมวงเตะตะกร้อรอดห้องเตะ ก, ก, กันเ hey, ฮ hey, hey ่เฮเฮ่เหมือนดูฟุต บ, บอลเลย <c oughs> หึงก็เดตโตไปเทศกลับมาประมาณหกโมงเย็นได้ยินเสียงเฮ่เฮ่เฮ่อยู่หลังวัดนะ่ะวันนั้นสมเร็จไม่อยู่ใช่ไหมสมเด็จกลับก่อนเวลาควรซะด้วยเลยวัดเล่นตะกร้อกันท่านก็ได้ยินเสียงมันเฮ่เฮ่เฮ่อะไรกันพอเข้าไปดูโอ้โหวงตะกร้อขึ้นข้างวัดเลยนะได้ใช่ไหมแต่ไมโครโฟนด่าไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ใช่ไหมท่านทำยังไง ท่านค่อยๆขึ้นไปบนกุฏินะจากนั้นก็เอาผ้าผ้าธรรมดาในผ้าน้ำในคลุมหัวลงมาโยมคลุมาบนี้เลยนะขณะที่มันกำลังพบคำนั้นก็คลมไปยืนอยู่ในวงเลยแต่ไปเ hey, ฮ hey, hey ้เฮ่เฮสักพักหนึ่งแต่ก็ก็ลอดห่วงมาถึงท่านทุท่านถือไว้ ทุกคนหันมามองเป็นตาเด็กโดนมาสิคือไม่ทำไมขยันหมักพล้ววัดแรกไปเตะปุ๊บเลยยังเชื่อไหมเตะอยู่อย่างนั้นสักห้านาทีเพราะว่ามันพบคาสักพักหนึ่งนะเอ๊ะพอตะก้อไปถึงองคนั้นเมื่อไหร่มันตกบ้างมันถูกเอามือจับไว้บ้างเพราะคุณเก่งว่าทําไมองค์นี้ไม่เก่งพวกก็สงสัยว่าจะไปกินอะไรมา อันนี้มันมีฟอร์มตกขนาดนี้สมัยก็เลยเปิดผ้าขอโทษนะวันนี้ยฟอร์มตกไปนหน่อยพอทุกรื่รู้ว่าใครเป็นใครยมตั้งแต่นั้นวงตะกร้อเริ่มเดบขัดต้อเตือนกฎหมายไห ม, มต้องนี่คือวิธีเตือนแบบปรรดาชนเราได้เขียนกฎหมายยาวฟึ้งระับสถาบันนู่นทำไรมาตราใช่ไหมมีคนปฏิบัติไหม ก็จะมีเนาะกฎมายนี่ละเมิดเป็นวาเลนคนไทยนี่เป็นตลาดเป็นชาติที่ไม่กลัวกฎหมายานะเมื่อวานเราจะมาไปรถติดอยู่ที่น่ะแถวบนะิ๊กเบนน่ะนะกำลังเดินชมบ้านชมเมืองอยู่เห็นฝรังรอกันเป็นสิบมันยังอยู่ในช่วงไฟเขียวพอดีรถวางป๊อปฝรั่งก็ยืนรอรบดบมีใครสี่ห้าคนก้าวฉับฉับฉับพิ่ไป อดามาเห็นปุ๊บอดามารู้เลยว่านี่กลุ่นทัวร์ไทยนี่เป็นนสัยมาจากบ้า น, น, นคือไม่ไกลเลยนะฝรั่งเนี่ยรถจะมาไม่มาถ้ารถจะว่างเขาก็รอได้ใช่ไหมกฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่ได้เขียนกฎหมายเอาไว้เยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่ปฏปิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะก็เลถากไปกินด้วยทําไมบนเมืองฝรั่งกฎหมายสักเสธิจแต่เรากฎหมายไม่ค่อยสักเสิธิจ เขียนเอาไว้เยอะแต่ไม่ค่อยสัดสิทธิ์แในสมัยขวบโตเนี่ยท่านไม่ต้องออกกดวัดท่านปกครองลูกศิษลูกหาของท่านได้หมดเพราะอะไรท่ใช้วิธีเข้าไปอยู่ใกล้ๆโยมถ้าสมมุติสมมติว่าตมานะเห็นพระลูัดแต่ตะก้อตะมาคงต้องเรียกประชุมแล้วก็จี้ดังตัวดีไหมดีพระลูกวัดจะโหวตกันเอาเจ้าอาวาสออกนะใ <c oughs> ช่ยหมโยมน้ำน้อยนะโยมนะทีมตะก้อเขาเยอะนะนี่เราลองเทียงดูสิ อาลิงจ้จี้จี้เดี๋ยวพ้ว่าแขนหนาวสิใช่ไหมหาเรื่องหาเราใส่หลวงพ่อจอว่าดีฉันยุ่งอีกไอ้โคโตน่ะใช้วิธีบวไม่ช้านำ้ำไม่ข้นท่านไม่เตือนสักคาแต่ท่านไปอยู่ในวงท่ไม่เห็นปั๊บและอายแก่ใจๆๆแล้วก็นึกว่าตายแล้ววันนั้นน่ะฉันเตะตะก้อไปขคตรโตเป็นคนรับตะก้อฉันไว้โอ้บาปกรรมเป็นวิธีสอนคนด้วยการให้เขารู้สึกผิดเป็นวิธีที่ได้ผลมาก เขาเรีว่าบัวก็ไม่ช้ามน้ําก็ไม่ขนเดีลองดูนะเดี๋สอนโลกอะ่ะถ้าเดี๋ใช้ทุกวิธีนะเขาไม่ดีขึ้นนะปีก็แล้วบ่าก็แล้วลองทำให้โลกรู้สึกผิดบ้างได้ไหมอาจารมาเอยให้ลูกศิษย์คนหนึ่งไปทํานะมีสามีภรรยาคู่นหนึ่งอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วภรรยาทุกข์มากราสามีติดเหล้า แกดีแกไม่หายตามปกติถ้าไม่กินเหล้านะเขาจะเป็นสุภาพบุรุษแสนดียวมยังจะปฏิสนธิจุติลงมาจากฟากฟ้าเลยเหรอมัน แ, แต่งตัวเนีย้ยเขนสังคมเก่งแต่พอกินเหล้าก็เหมือนยัดวัดโพลงประทับอะเป็นยัดโพยัดวัดเสี้งลงลงยมคือพรรยยาจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งเลยท่านอาจารย์แล้ววันดีคืนดีเนอะกินเหล้าเสร็จกลับมาอนะยมกับลูกไม่ได้หลับเพราะว่าแกจะไปเอาปืนออกมานั่งขัดอยู่บนบนเตียงอะ ปืนมานั่งขัดอยู่บนเตียงเลยนะโยมนะแล้วอะไรอะไลูกนอนอยู่บนเตียงอะโยมสารีขี้เล่ากำลังขัดลูกปืนขัดปืนอยู่เอาปืนมันเล็งบ้างอะไรบ้างเพ่อนบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยจะเลิกกุศสงสาร ล, ลูกทาํายังไงพระอาจารย์มีวิธีไหมอาจารยมาก็บอกว่าเราก็ปวดคนมาเยอะแนละ้วกรณีนี้น่าสงสารมากต่มาก็เลยนลั่งสมาธิโยมเรี ย, น, ยนแล้วใช่ไหมปืนแล้วเจ้าค่ะ ให้พ่อของโยมเตือนได้ไหมพ่อก็ลองมาแล้วแล้วพ่อสามีหรอพ่อสามีเคยลองแล้วโดนปืนขู่มาแล้ว <c oughs> ทุกคนกลัวหมดก็เหลือแต่พระอาจารย์แต่ละคนนึนกนถึงสมเด็จโตนี่แหละว่าเตือนคนด้วย ก, การทําให้เขารู้สึกผิดเนื้อมาวิธีตะมาไปใช้นะแต่กติสามีกินเหล้าวัานไหนวันศุกร์ค่ะท่านวันศุกร์เขาจะมีชมรมกินเหล้าที่บริษัทนะทุกทุกวันศุกร์เขาจะกินเหล้าแล้วกลับมาสะเที่ยขึ้น ยมสุกหนานะยอมลองดูนะพอสี่ทุ่มยอมสี่ทุ่มนะละแล้วคหลังขาวจบนะยมอาบน้าบําอาค่าประแป้งแต่งตัวไปหาชุดขาวมาใส่ลองดูไหมยอมก็ลองนะยมพอวันศุกร์ต่อมานะสามีบึงรถเข้าบ้านมาพันรยาเปลี่ยนชุดขาวจ๊กๆนั่งสวมดมนต์คาราชินะบัญชร น, นี่แหละเดนมาบอกสวดรอไปเลยนะ สามีเปิดประตูเข้ามาภรรยาไม่เปิดรับแกวอยวายมาเลยไปไหนกันหมดทั้งแม่ทั้งลูกภรรยาก็ชายาสนากตาปุทาเชตวามารังสวานังจตุสจังสภารสังสามีอยู่ไม่เคยได้ยินอย่างงี้นะสั่งเมาเลยยม <c oughs> เดินเดินไปเห็นภรรยาสวดมนต์ยมอยู่ที่ห้องพระห้องพระนี่สามีสร้างอย่างดีแต่ไม่เคยกราบนะวันนั้นมีสมั่งเมาก็ไปมองเฮ้ นี่ใครวะนะก็เป็นนั่งเตกๆเกาเป็นดมทูพันเลยค่ะภรรยาบอกอย่ามาดมฉันวันนี้ฉันถือเส้นแปดทำไมจะดุ้งเลยยมยมรู้ไหมสักพักหนึ่งหายไปอาบน้ำกลับมาดึงแขนภรรยาไปเธอทำอย่างนี้แต่เมื่อไหร่ทาไมนไม่บอกฉันที่บ้านแต่ไม่ใช่วัด แมเนี่ยแค่สิ้นห้าเราพอแล้วถ้าถือสินแปดฉันจะนอนกับเธอยังไงไปนอนมัดสิไป่รนมัดมันจะใครเนี่ยสิ้นแปดเอาไปคืนนะสักพักหนึ่งเนื้อมือยอมจะตบอกภรรยาบอกพี่ถ้าพี่ตบฉันนะเท่ากับว่าพี่ตบหลวงพ่อด้วยทําไมหลวงพ่อมาเกี่ยวอะไร ตินเนี้ยหลวงพ่อให้มายงต้องประคองให้ครบทุกข้อถ้าพี่ตบแล้วสินมันกระจายหมดสักพักหนึ่งสามีเหงือเท้าภรรยา อ, อุ้มเท้าไว้ยงมาทำยังไงรู้ไหมก้มลงกราบเท้าของสามีพอก้มลงกราบแล้วเธอก็ร้องให้น้ำตาเอยหยดลงบนสองเท้าเลย ส้ามีเจอแม่นี้ก็ไปมันเข่าสุดเลยดงเข่าซุดลงนั่งคุกเข่าเนาะน้องดีขนาดนี้เลยเหรอทีนี้มึงสางเลยนะ <c oughs> กระับพักก็พอแล้วอย่าไปกราบเท้าพี่เมื <c oughs> เรายังไม่ได้กราบเท้าพี่นะนี่เนี่ยน้องกราบเท้าพี่นะ่ะ <c oughs> พี่ไม่ดีไม่ดีนะภรรยาก็บอก ถ้าพา่รู้สึกไม่ดีที่กินเล้าทําไ <c oughs> มตอนนกูนเดินหนีเลยนะวันลงขึ้นอาจจะมาให้กุศโลบายไปให้ทํำเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นแหละภ <c oughs> รรยาคิดว่ามันได้ผล <c oughs> <c oughs> วันต่อมาโยมทําเหมือนเดิมแต่จะป็นว่ทุกคืนนี่จะมีไปทํางานกลับมานะภรรยาห่มชุดขาวสวดมนต์ทำวัดใส่เห็นทุกวันทุกวันทุกวัน ภาพที่มันตัดกันนะั้ภรรยาชุดขาวสามีขี้เล่ากลับบ้านในที่สุดสามีนึกขึ้นมาได้ว่าเรามันเลวภรรยาแสนดีนึขึ้นมาได้คุณจําเชื่อไหมภายในหนึ่งอาทิตย์สามีต้องขอข ม, มาภรรยาคุณนี้เลิกเบ็ดเสร็จเดือดขาดหนึ่งเมืม่อมาพบปะตมาสามีบอกว่าแหมผมว่าแล้วเชว งากูสลบใบประหลาบประหลาด น, นี่มันต้องมีที่มานี่แหละก็พระอาจารย์แต่ช่างมันเถอะเพราะว่ะาตอนนี้ผมชอบมากที่ผมไม่ดื่มเหล้านี่ยยมคุณเห็นไหมว่าวิธีนี้มันได้ผลนะฮะภรรยาบอกว่าเป็นสิบปีมาแล้วที่ต้องอยู่กับสามีที่เหล้าแล้วเวลาทะเลาะมาก็ทะเลาะไปคือตบตีกันจนเรียกว่าเต็มไปด้วยรอยพวกช้าดําเขียว นีทุกครั้งว่าแกก็ไม่ได้ที่สําคัญเวลาสองสามีภรรยานี้ทะเลาะกันลูกเข้ามุมหยมลูกร้องไห้ยอยู่ข้างมุมจนกระทั่งเป็นปมด้วยกับลกูกลูกกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางจิตเพราะอะไรเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแต่พอใช้กุศโลบายก็คือว่าแทนที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่ภรรยาใช้ธรรมะเข้าช่วย <S <S ทุกทวันนี้ครอบครัวนี้ปรับคืนมาเป็นปกตินี่คือความประเสริฐของธรรมะไงคุณเห็นไหม การเกิดของพุทธศาสนามันขนาดนี้นะมันช่วยดนสาราพัดโรคเลยนะน <c oughs> อกจากช่วยให้นอนหลับแล้วในช่วยให้เลิกเล่าได้ด้วยนะอ <c oughs> ืมเพราะฉะนั้นวิธีเหล่านี้ต่อมาไม่สงบเลิขสิเศษเอ า, ไปไปาต่อไปไปดูข้อต่อมาข้อที่ห้าจะพิจาจนาโตกับสุนัขขี้เรือนท่านทํำยังไงโยมถ้าน่งท่านไปรับนิมนต์กลับมาเดินเข้าวัดสุนัขขี้เรือนมันขวางอยู่บนทางเทา้าถ้าโยมเห็นสุนัขคี้เรือนเดินจะทำยังไง ไล่พูดแล้วดูดีนะแตมไม่เชื่อหรอกเตะเตะดิเตะเตะเนี่ยของจริงใช่ไหมเตะเมืนอไอยากเตะอยากตัดเพ่อใช่ไหมแต่วันนั้นกลัวตเดินเข้ามาท่านเดินอ้อมสวนักขื้ือนสักสามว่าลงเตะวงค้งเลยนะยังการรถไยุโรปนะค้งรู้สหางแลวงครัน เธอถึงได้เว้นกว้างขนาดนั้นนะแต่แค่สุนัขขี้เรือนเนี่ยก็เดินข้ามหัวมันไปส่วนเลยผู้ที่อาจารย์บอกว่าเธออย่าไปคิดว่าเขาเป็นขี้เรือนแล้วจริงไม่ให้เกียรติเขาบางทีนะพระโพธิสัตว์อาจจะมาเสวยพระชาติเป็นสุนัขขี้เรือนก็ได้ใครจะไม่รู้โอ้โหลูกศิษได้ฟังนี้นะโยมนะสว่างเที่งเลยเห็นไหมไมันเห็นอะไรในประโยคนี้ไหม ปีตัญญายอมอย่างถึงนีมปโจลออกไหมไม่ออกเลยเสียแรงโยนขึ้นนะวันนี้สมเด็จต้องการสอนว่าืเป็นคนอย่าไปดูหมิ่นค้นไม่ใช่เห็นเขาต่ํากว่าเราเราจึงไม่เกลียดเขาไม่ใช่เห็นเขาสูงกว่าเราเราจึงไปพี่น อ, อพี่เทาเขา แต่เราอยู่กับคนเราต้องเคารพคนทุกคนใช่ไหมจะดีจะชัว่วจะสูงต่ํด า, าดําขาวจะฉลาดหลักแหลมจะง้ยังไงก็ตามนะจะตระกูลสูงตระกูลตา่าจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระเอกราชทหารเหล่าไหนก็ตามเถอะแต่แท้ที่จริงนะถ้าถอดเอาสมนุษยทั้งหมดออกทั้งหมดเป็นมนุษย์ใช่ไหมโยมมนุษย์เป้าอย่างอะไมาเนี่ยถอดชีวอนออกก็เป็นมนุษย์เนทั้งหลายถอดเสื้อผ้าออกก็เป็นมนุษย์<ม>ถอดคำว่าฝรั่งจีนไทยแขกออกทิ้งทั้งหมด แต่มนุษย์ทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่เคยมองมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์ไหมมันก็เห็นนะเวลาเรามองไปเราจะเห็นแต่สมมติพระนาท่านบ้างคนบ้างพระเด็พระคุณบ้างปรธานบริษัทบ้างมรณากบ้างพระเด็จพระคุณหลวงพ่อบ้างจินบ้างไทยบ้างแขกบ้างฝรั่งบ้างคนดำบ้างคนขาวบ้าง เรามองเห็นคนเราไม่ก็เห็นคนเราเห็นแต่สมมติข้างนอกดังนั้นเวลาเราจะให้เกียรติใครนะถ้าเห็นสูงกว่าเราจรึงให้เกียรติถ้าเห็นต่ำกว่าเราจะดูถูกพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นคนอย่าดูถูกคนจาไว้นะเพราชีวิตคนนั้นชั่วเจตีดีเจตหนคนที่สูงอยู่แล้ววันหนึ่งอาจจะต่ำก็ได้คนที่ต่ำอยู่แล้ววันหนึ่งอาจจะสูงก็ได้เคยเลี้ยงควาด้วยกันมาวันหนึ่งมาที่กรุงเทพปุ๊บปั๊อาจจะกลายเป็นหลวงพ่อสมเด็จก็ได้ใช่ไหม เคยข้าน้ำข้ามฟ้าเสื้อผืนหมอนใบามาจากเมืองไทยวันหนึ่งอาจจะกลายไปเป็นภรรยาของนายแบงค์ทิมกริตก็ได้เพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนอย่าไปดูถูกคนเพราะเราไม่รู้ว่าคนแต่และคนมีบุญมีกรรมอะไรซ่อนไว้เบื้องหลังยังนี้เราดูถูกเขาถึงวันที่บุญเขาส่งผลเขากลายเป็นเจ้าคนนายคนก็ได้ฉะนี้นเราอยู่กับคนถ้าเราให้เกียรติคนทุกคนนะยม น, นะมีอะไรต้องเสียใจไหมไม่เลย ให้เกียดคนทั้งโลกแล้วคนทั้งโลกก็จะให้เกลียรดเราเคารพคนทั้งโลกคนทั้งโลกก็จะเคารพเรา แ, แต่ถ้าเราดูถูกคนทั้งโลกคนทั้งโลกก็ดูถูกเราใช่ไหมถ้าเราเคารพคนทั้งโลกคนทั้งโลกก็จะเคารพเราเคารพยิ้มให้เขาเขายิ้มให้เราไหมขเขาก็ต้อง ย, ยิ้มถ้าเกลียดเขาก็เกลียดเราไหมเขาก็ต้องเกลียดฉะนั้นเราอยู่กับคนอยากให้เป็นเป็นที่รัก ก็จงจำไว้ว่าอย่าได้ดูหมิ่นเห็นแคลนใครเป็นอันขาดเพราะทุกสิ่งที่เราทำกับเขาจะส่งผลย้อนกลับมาสู่เราในแง่ใดแง่นหนึ่งเสมอถ้ายอมเปรียนเขาเขาก็เปลี่ยนยอมถ้ายอมชมเขาเขาก็ชมยอมถ้ายอมดูแลเขาเขาก็ดูแลยอมถ้าชื่อยอมลองดูแลใครสักคนที่มาจากเมืองไทยหน่อยยังดีเลยนะถ้ากลับไปเมืองไทยเขาก็จะดูแลยอมอย่างไรแต่ว่าคนที่สูญเสียสามัญสำนึกเทนั้นแหละทั้งจะจำสิ่งดีๆไม่ได้ ถ้าโยมด่าใครสักคนหนึ่งนะให้เขาเจ็บชันน้ําใจพรากลับไปเมืองไทยเขาเก็เจน ด, ด่าโยมทั้งตีทั้งชาติเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าไม่เชื่อทฤษฎีนี้โยมลงปฏบับติตงกันข้าม <c oughs> เลยลองดูไหมถ้าไม่เชื่อลงตรงกันข้ามกันหนะน่อยเชื่อยู่กับคนให้เกียรติคนแล้วคนก็จะให้เกียรติเรามาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายถ้าถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าตัวไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้คือคาถาชนะบัญชร ยังเคยรู้จักคาานี้ไหมในมีใครสวดอยู่บ้างยกมือสิโอ้โหนี่เกินร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเชื่นใจจังเลยถ้านเป็นคาถาชินะบัญชรแจกแสดงว่ามีผู้บริโภคเพียบเลยคาถาชินะบัญชรนั้นปีมาก่อนสมเด็จพระพุทธาจ้าโตแต่สมเด็จท่านทรงนำมาย่อของเดิมนั้นยาวมากยมเป็นสามสิบสี่สิบทนะสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนำมาย่อเหลือประมาณสิบสี่บท เสวียนกันทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อความเป็นสิริมงคลบางบทบางคนเลือกเอาบางบทมาสวดเพื่อเป็นคาถามหาเสน่ห์ก็มีนะแท้ที่จริงแก่นของคาถาชิน น, ชนับัญชลอยู่ที่ไหนโยมเราสวดเพื่อเราจะได้เรียนรู้ชีวประวัติของพระทุกรูปที่ปรากฏในคาถานั้นนั่นแหละแต่ถ้าเราสวดโดยที่เราไม่เข้าใจนะเคาก็อาจจะได้สมาธิแต่ถ้าจะให้ดีนะ ควรจะเข้าใจเนะื้อหาสาระที่สวดได้ก็จะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาแล้วก็ได้ทั้งบุญกการสวดมนต์มีง่ายๆอยู่ว่าเวลาสวดมนต์อว่าสวดแล้วทําให้ใครก็เดือดร้อนเวลาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะสวดมนต์สวดพรนะ่ะนึกถึงลูกหลานเขาบ้างคนไม่ได้อยู่ในบ้านแค่สองคนตายายนะลูกหลานเขาจะหลับส น, นอนใช่ไหมลูกหลานก็เหมือนกันเวลาตายายจะสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ไปเปิดเพลงอยู่อีห้องหนึ่งดังปฐหะกัน นไม่ช่สิงที่ถูกต้องอัตมาเคยเห็นนะยมนะคือด้านหนึ่งแต่ยายสวดมนต์ลืกหลานไม่ชอบใจก็เลยเปิดเพลงร็อกเลยยมจบกันยี่สิบตองทั้งคู่ชั้นทางสายกลางการสวดมนต์ก็คือ 1. คุณสวดมนต์ไปแต่อย่าทําให้ใครเดือดร้อน 2. อ, อย่าไปคิดว่าการสวดมนต์จะทําให้ร่ําให้รวยการสวดมนต์คือเครื่องมือในการฝึกสมาธิทําให้บบัุขภาจิตดี าการสวดมนต์ทําให้ได้บุญได้กุศลเพราะเป็นการทําบุญด้วยกายวาจาใจนี่คือการสวดมนต์ที่แท้จริงเชิญทุกทุกครั้งที่เราสวดมนต์นนะอยจะทําให้ใครเดือดร้อนแย่าก็ใจผิดว่ามันจะทําให้ร่ำให้รวยอยากรวยต้องลงมือทํามาหากินแล้วก็สามนั่นเป็นการทําบุญด้วยกายวาจาใจก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจสวดเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาก็ขอโหธนาสารทุกการทุกท่านทุกคนที่ตั้งใจฟังธรรมนะ ขอคุณสนผลบุญสวนนี้จงมารวมกันเป็นตะบเะเลชภาลาวปัปใจอันเลยโอยชัยทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธิด